เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็คุยสนทนาพัตธรรมในเรื่องของในเรื่องของธรรมะในเรื่องของความจริงคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยความจริงที่เรียกว่าธรรมะที่เป็นกฎความจริงธรรมชาติหรือสภาวะที่มันเป็นอยู่จริงเนี่ยเช่นว่าในโลกใบนี้หรือสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นความจริงเป็นกฎความจริงธรรมชาติ มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติาเน่งกระแสชีวิตของแต่และบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมนุษย์เวลาเราไปสัมพันธ์หรือไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปสัมพันธ์แบบผิดพลาดแทนที่จะไปสัมพันธ์ด้วย ปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแต่ก็ไปสัมพันธ์ด้วยความยึดอยากความต้องการความอยากแล้วก็ความไม่รู้เมื่อเราไปสัมพันธ์กับโลกและชีวิตด้วยความอยากด้วยความยึดและด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ที่ซ้ําซ้อนขึ้นมาคือความจริงของโลกเนี่ยความจริงของกระแสชีวิตความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดดับ นะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและในขณะเดียวกันก็คือสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเรียกว่าสังขารหรือสังขารธรรมทั้งหลา ย, ยมันก็มันก็ทนอยู่ในสภาวะเดิมหรือภาวะเดิมมันไม่ได้ไอ้ทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เนี่ยมันถูกความเกิดและความดับไอ้ตัว อ, อั น, นิยังตัวนี้มันเบียดเบียนบีบคั้นกดดันทาให้ขัดแย้งตัวมันเอง และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้เป็นไปตามความประสงค์หรือความต้องการของใครหรือความอยากของใครหรือไม่มีใครไปบงการใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นต้นเนี่ยสรรพสิ่งเป็นแบบนี้แหละที่ในบรรดาสังขารธรรมทีนี้เมื่อเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องหรือไปสัมพันธ์ ถ้าเราเอาความอยากความต้องการเราไปสัมพันธ์เอาความยึดของเราไปสัมพันธ์หรือเอาความไม่รู้ไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้มันก็ไปสัมพันธ์แบบผิดพลาดในที่สุดจริงๆในสิ่งที่มันเกิดดับสิบต่อเกิดดับเกิดดับกิดดับตลอดหรือมันไม่คงทนไม่ถาวรมันมันมันไม่อยู่ในสภาพเดิมของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอเราไปสัมพันธ์กับมันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความเล่าร้อนขึ้นมาเมื่อเราอยากจะให้มันเป็นอีกอย่างแต่มันไม่เป็นอีกอย่าง เมื่อเราเกิดความต้องการไปยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทานั้นแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการใช่ไหมเนี่ยความไม่เข้าใจตรงนี้ของมนุษย์เลยมันก็เลยเกิดความทุกข์ในใจซับซ้อนขึ้นมามากมายพอมองเห็นไม้มว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆทีนี้สิ่งต่างๆมันเป็นขึ้นมนอยู่อย่างนี้ตรงนี้แหละก็เรียกว่าไอ้ตัวทุกข์ไอ้ตัวปัญหาทั้งหลายเหล่านี้มันคือความจริงของชีวิต ที่ความที่เรารู้ไม่รอบรู้ไม่ทั่วรู้ไม่ชัดเนี่ยถ้ามนุษย์คนใดพัฒนาหรือกระแสชีวิตใดถ้ามนุษย์ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจก็เกี่ยวข้องด้วยความเป็นอิสระโดยไม่ต้องไปขึ้นตรงกับมันก็เลยได้เข้าใจเวลาจะแก้ไขสิ่งใดก็เลยไปจับที่เหตุปัจจัยมันได้พอไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยไปจับที่เหตุปัจจัยมันได้มันก็เลยเข้าใจ พอเข้าใจตรงนี้มันก็เลยรู้อ่าวแต่นี้พอเราเข้าใจตรงนี้เราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องก็กลายเป็นว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่อย่างกว่าเป็นอิสระและวก็เสรีภาพดีที่แท้จริงทีนี้เราย้อนกลับมาดูกระบวนการกระแสะชีวิตของแต่และบุคคลมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมกับส่วนหนึ่งที่เป็นนามธรรมให้สังเกตดูนะว่าในส่วนของรูปธรรมเนี่ยถ้าเรารู้องค์ประกอบไม่พอ รู้เหตุปัจจัยไม่พอแล้วก็ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกเหมือนกันเช่นว่ากรณีที่เราไปอยู่ในสภาพอุดตุที่มันจะทำให้กระแสของรูปธรรมทั้งหลายมันเกิดความไม่ไม่ได้ดุนหรือเอาอาหารเข้าไปทำให้ร่างกายไม่ได้ดุนยภาพหรือเกิดจากกระบวนการความคิดของบคุคคลคนนั้นที่ใส่ความคิดไปจนกลายเป็นรูปธรรมก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย หรือเกิดจากเจตจํานงความจงใจตั้งใจที่ขาดปราศจากความรู้ความเข้าใจกับการที่จะทําให้รูปธรรมนั้นมันได้ดุลยภาพสภาพร่างกายเราก็ถูกกระทบกระทั่งโดยเสียดุลยภาพมาอย่างติดต่อและต่อเนื่องนี่ข้อความที่ว่า ม, มนุษย์เะรู้ไม่พอเช่นอาหารบางอย่างที่เราใส่ไปในร่างกายบางครั้งเนี่ยมันได้แค่ความเขียน แต่เราไม่สามารถรู้องค์ประกอบทุกอย่างว่ามันจะให้องค์ประกอบอะไรที่จะทําให้ดินน้าไฟลมในผมคนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกของเราเนี่ยมันได้ดุนยภาพแล้วก็ได้ดุนอย่างแท้จริงบางครั้งเราเอาอาหารบางอย่างใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นคุณส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันมันก็เป็นโทษอีกตั้งมากมายแต่เราก็ไม่รู้ความรู้ไม่พอของมนุษย์นี่ยแหละตัวปัญญาที่พัฒนาไม่ถึงเนี่ยในที่สุดจริงๆ จ, จากความไม่รู้ หรืเราไปสัมพันธ์กับรูปธรรมในร่างกายของเราด้วยความไม่รู้ด้วยความยึดหรือด้วยควา ม, ด, ววามาด้วยความต้องการด้วยความต้องการเช่นเราต้องการอาหารประเภทนี้เราอยากอาหารประเภทนี้เรายินดีอาหารประเภทนี้เราชอบใจในอาหารประเภทนี้เราใส่ไปในร่างกายร่างกายก็เสียดุลอย่างนี้เป็นตน้นและด้วยความไม่รู้เมื่อใส่ไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสภาพร่างกายของเราก็เสียดุลอีกเยอะแยะ หรือในขณะที่เราไปเกี่ยวข้องกับดินน้ําไฟลมหรือสภาพอุจตุที่ไม่เหมาะสมอยู่ในอากาศที่มีมลภาวะหรือไม่มีมลภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ดุลยภาพสภาพร่างกายรูปธรรมทั้งหลายก็ถูกเบียนเบียนซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือการใช้อียาบทที่ไม่เหมาะสมยืนเดินเดินยืนเดินด น, ด น, นั่งนอนทันน้งหลายนานเกินไปเป็นต้นโคเข้าเหยียดออกการถ่ายอุจจาระปลาะอะไรอีกมากมายเหลือเกิน เห็นไหมการที่เราไปสัมพันธ์ด้วยกับรูปธรรมกับกระแสชีวิตในส่วนของรูปธรรมด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจหรือด้วยความยึดอยากทั้งหลายเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นทุกซับซ้อนขึ้นมาอีกเยอะแยะในในในส่วนรูปธรรมถ้าจเจาะก็ไปนามมาำมรรมยิ่งละเอียดใหญ่นา ม, มารมคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนา ม, มารมคือความจําได้หมายรู้นามรทำคือการปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น นามธรรมคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิล้มรสเนี่ยไอ้กลุ่มสภาพของนามธรรมที่เราไม่สามารถไปรู้องค์ประกอบของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ไปคิดตัวสิ่งเหล่านี้ด้วยความต้องการเช่นเราต้องการอยากจะได้ข้อมูลอย่างนี้ต้องการที่จะคิดกับคนนั้นอย่างนี้ต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปไม่เข้าใจสภาพของกลุ่มนามธรรมซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เขาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา แล้วก็เป็นสภาพที่ทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แล้วเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าจะโลภกดหลงหรือไม่โลภไม่กดไม่หลงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันเลยกลายเป็นตัวปัญหาชีวิตทั้งการไปเกี่ยวข้องกับรูปธรรมและและแล ะ, และนามธรรมแม้ไปเกี่ยวข้องกับรูปธรรมหรือนามธรรมของบุคคลอื่นที่เรียกว่ากระแสชีวิตยิ่งไปใหญ่เลยเยช่นเราปรารถนาให้คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นหรือไม่ปรารถนาให้เป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ หรือเราไปมีความรู้สึกว่าสุขทุกข์กับคนคนนั้นโกรธหรือไม่โกรธกับคนๆนั้นชอบใจไม่ชอบใจกับคนคนนั้นเนี่ยไอความรู้สึกของเราที่เป็นสัมพันธ์ด้วยความต้องการด้วยความเห็นด้วยความยึดอยากหรือตลอดถึงด้วยความไม่รู้ในที่สุดจริงๆไอความทุกข์หรือปัญหาภายนอกล้วก็ดึงมาสู่ภายในจากการสัมพันธ์กับตนเองก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วยังไปสัมพันธ์กับชีวิต โลกและชีวิตภายนอกก็ยังไม่ถูกต้องด้วยด้วยตัญหาด้วยมานะด้วยทิฐิด้วยความรู้ไม่พอด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมนุษย์มนุษย์ก็เลยกลายเป็นทุกข์ซับซ้อนทุกข์ที่มันเป็นความจริงธรรมชาติกระทุก์ในใจของเราที่เรามามามาทับถมแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นและที่สุดจริงๆมนุษย์ก็ไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงเมื่อไม่เห็นปัญหาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหตุหรือไม่แค่เข้าใจทุกข์ที่แท้จริงไม่เข้าใจเหตุของทุกข์ที่แท้จริง และไม่ระวังจุดหมายเพื่อความดับทุกข์ที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันแบบผิดผิดพลาดพาที่เดินไปสัมพันธ์กับโลกและชีวิตอย่างไม่ถูกต้องด้ว่าไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ก็เลยไม่เข้าใจอริยสัจเมื่อไม่เข้าใจอริยสัจตามความเป็นจริงมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะพันตัวเองจะปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอาริยชนเป็นต้นได้เพราะว่าการเข้าการแทงตลอดสัจจะเนี่ยทําให้มนุษย์เนี่ยธรรมดากลายเป็นอริย์ได้ใช่ไหม กลายเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้อะไรตรงนี้ก็คือในวันเนี้ยเราก็ต้องการอยากจะมาฝึกตนเองโดยเฉพาะก็คือว่าตอนเนี้ยเราพอเราเข้าใจความจริงแต่ถ้าเราถ้าเราไปสัมผันธ์เราไปเข้าใจกระแสชีวิตของตนเองที่เป็นส่วนของทุกข์สัตว์ที่ถูกต้องหรือเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายอย่างถูกต้องและ ว, วางจุดหมายคือนิโรธอย่างถูกต้อง ล, ลงมือปฏิบัติก็ลงมือทํานั่นเอง ที่บอกทุกเนี่ยต้องรู้ทันสมุทยัยต้องละทิ้งนิโรธต้องรู้ถึงมรต้องลงมือทําอะไรแต่นี้ก็มาเกี่ยวข้องกันคือว่าเราต้องการมาฝึกให้เป็นระบบตามหลักการเพราะเราเข้าใจแล้วว่าอื่นเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาถ้าเราเรารู้ว่าตัวกลุ่มนมามธรรมหรือรูปธรรม ท, ทั้งหลายเราเนี่ ตอนนี้กระแสชีวิตเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจระดับหนึ่งก็คือว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สังเกตตัวนะว่าบางครั้งเราต้องการอยากจะให้จิตสงบแต่ก็ไม่สงบทั้งๆ้งที่เราต้องการนี่แหละจะต้องการให้จิตเป็นสมาธิแต่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเราไปสัมพันธ์กับสิ่งกระแสชีวิตไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้อง มันไม่ได้ไปแก peso, ท้ที่ว่าต้องการอยากให้มันเป็นแต่มันไปจับที่เหตุไปแก้ที่เหตุใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นมันเป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่บังคับเราจะไปบังคับว่าขอให้สงบขอให้สงบขอให้จิตเป็นสมาธิขอให้ตั้งมั่นอะเนี้ยบังคับอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องไปแก้ไขหรือไปจับที่เหตุปัจจัยใช่ไหม แก้ไขที่เหตุปัจจัยยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเข้าถึงภาวะความสงบแห่งจิตที่เขาเรียกว่าสมาธิ <c oughs> มสมาธิมีสามระดับระดับแรกเขาเรียกคัณิกะสมาธิสมาธิขั้นเล็กๆ น, น้อยๆขั้นมูลฐานหรือเรียกมูลสมาธิสมาธิขั้นต้นหรือสมาธิขั้นเตรียมเตรียมการคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะนี้ เป็นสมาธิที่สามารถสงบได้ในเรื่องราวต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆได้อย่างชั่วขณะหนึ่งๆขณหนึ่งๆแต่ไม่สามารถตั้งมั่นได้ยาวนี่คืนิการทีนที้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสมาธิเนี่ยภาวะที่จิตตั้งมั่นในอารมเดียวเรียกเอกคตาเลยภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียว ภาวะที่จิตตั้งมัน่นภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวภาวะที่จิตสงบแน่วแน่ดิ่งในอารมณ์เดียวนมนุษย์เราต้องการเข้าถึงภาวะตรงนี้เข้าถึงความสงบแห่งจิตทีนี่ไอภาวะความสงบหรือความตั้งมัน่นแห่งจิตคำว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช่จิตมันอยู่นิ่งๆเนี่ยคือจิตก็เกิดดาบสืบต่อตลอดมันเหมือนเราจุดเทียนไขเออจุดเทียนไขไว้ในที่ ในถ้าเนี่ยไม่มีลมพัดต้องไอไฟนะั้นมันก็ลุกอย่างสม่ําเสมอแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ไส้ไม่เทียนค่อยๆลดลงเลยลดลงเลยตามลาดับสภาพจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวแปลว่าต้องการจะมานัสิกานหรือระลึกถึงเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ซัดสายไปในเรื่องอื่นนี่ในขณะที่อยู่ในเรื่องนั้นเนี่ย ก็ระลึกอยู่ในเรื่องนั้นอยู่ต่อเนื่องเพียงแต่ไม่สัดสายไปในเรื่องอื่นเท่านั้นเองภาวะอย่างนั้นเขาเรียกว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวทีนี้ภาวะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าการตั้งมั่นภาวะที่จิตเจตสิกหรือสภาพของกุศลจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้นที่จะเรียกว่าสมาธิที่เราต้องการฝึกเพราะการตั้งมั่นที่ไม่เป็นอกุที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปก็มีเช่น เราฆ่าสัตว์เราตั้งจิตจดจ่อในการที่จะตกเบ็ดในการที่จะฆ่าสัตว์หรือตั้งใจที่จะจับสัตราวุธในการที่จะวาดฟันไปที่สิ่งที่เราต้องการจะวาดฟันหรือภาวะที่เราถลึงตามองหรือว่านึกถึงใครแล้วก็โกรธก็นึกถึงแต่คนนั้นอยู่จิตก็ดิ่งอยู่เนี่ยลักษณะนั้นเป็นอกุศลซึ่งไม่ไม่พึงประสงค์ในที่นี้ในที่นี้ต้องการจะ ฝึกภาวะที่จิตที่มีอารมณ์เดียวให้สังเกต ด, ดูนะว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้จิตเป็นสมาธิคนบางคนเนี่ยมีอัตยาสายัยฟุ้งซ่านเป็นอัตยาสายัยใช่ไหมเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะการที่ไม่น้อมใจมในความสงบให้สังเกต ด, ดูนะเพราะสมาธินี่คือความตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิคือภาวะที่จิตจอดจ่อ ในอารมณ์เดียวไม่ซัดสายไม่พุ้งสัน้นไม่สั้นไปได้ภาวะที่สงบเยือกเย็นและคนที่จะมีภาวะจิตที่สงบได้นะก็เพราะว่ามีจิตที่น้อมไปในสมาธิน้อมไปในความสงบน้อมไปในความเยือกเย็นน้อมไปในความไม่พุ้งสัน้นกาว่าน้อมไปในที่นี่คือการคิดนั่นเอง คิดเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วมันรู้สึกว่าไม่อยากไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่อยากให้จิตเที่ยวไปซัดสายเดี๋ยวก็ไปหาสีบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างมองออกไหมเดี๋ยวไปนึกถึงบ้านนึกถึงทรัพนึกถึงรถนึกถึงอะไรต่างๆมากมายเพราะเนี่ยภาวะที่เรามีความจงใจที่จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายแต่คนที่จําการจะเข้าถึงความสงบเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งเจียรจําองตัวเองว่าพอเราปรารถนา จะน้อมก็าหาความสงบเราต้องการจะพักการคิดคิดว่าต้องการจะน้อมก็าหาความสงบเข้าหาสมถานิมิตหมายความว่าเราจะระลึกถึงเรื่องอะไรเนาจะทําให้ใจเราสงบบางคนระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตสงบระลึกถึงพระธรรมแล้วจิตสงบระลึกถึงคุณของพระดยสงศ์แล้วจิตสงบระลึกถึงศีลแล้วจิตสงบ ระลึกถึงทานกุศลที่เคยให้เคยสละเคยแบ่งปันแล้วจิตสงบเนี่ยภาวะที่เราระลึกถึงเรื่องอะไรแล้วจะทําให้จิตเราโนไปในสมาธินิมิตก็ให้ระลึกถึงเรื่องนั้นบ่อยๆก็จะกลายเป็นคนที่มีสมาธิตั้งมั่นเดีเ๋ยวมอ ง, องเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะถ้าเราระลึกถึงเรื่องอะไรแล้วมันฟุง้งจิตมันไม่สงบมันได้ความฟุ้งซ่านได้เช่นถ้าคิดถึงเรื่องอไรแล้วกําหนัด ยินดีเพื่อเพลินเรื่องนั้นอย่าคิดไปถ้าคิดในเรื่องนั้นแล้วมันจะเป็นเหตุทําให้สมาธิแตกส่าสมาธิไม่ตั้งมัน่นคิดถึงเรื่องไรแล้วขัดเคืองแล้วกโกรธเรื่องนั้นเราบอกเราจะไม่คิดคิดถึงเรื่องไรแล้วจิตมันโถดขูเสื่องซึมหงอยเหงาเซงซึมจะไม่คิดเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องไรแล้วฟุ้งซ่านลาคาญใจจะไม่คิดเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องไรแล้วลังเลจงใจเราก็จะตัดการอวนการความคิดเหล่านั้นหมดฉะนั้น เราจะน้อมจิตไปหาความสงบอะไรละ่ะที่จะน้อมก็าหาความสงบเื้องต้นเราอาจจะคิดถึงเรื่องที่ง่ายต่อเราก่อนเช่นรละลึกถึงพระพุทธเมตตาอ่าระลึกถึงพระพุทธเมตตาเอาและเราได้แจกพระพุทธเมตตาเราได้ให้ทานกับการ ใ, ให้พระรูปของพระพุทธเมตตาพระพุทธเจ้าป่านนี้คนที่นำพระรูปของพระพุทธเมตตาพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปรางตัดสรุซึ่งเป็นปรางชนะมารที่ประทับอยู่ที่พุทธคยาเนี่ยเราได้แจกจ่ายให้กับหมู่ชนไปเป็นจำนวนมากเนอะพระก็รับไปดูกันมากท่านคงได้เห็นรูปเหล่านี้ใจภาวะจิตของท่านคงสงบเยือกเย็นพ่องใสล่าเลิงอาฐานตั้งมั่นเป็นสมาธิลึกซึ้งแล้วสามารถระ ล, ลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าได้อย่างต่อเนื่องว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากรเกลีตัสรู้เช่าได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นกุศลที่ข้าพเจ้าได้เจริญได้ทาแจกรูปพระพุทธเมตตาซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งประดับไปได้วยหมาบริสรลขณะนอรลักษณ์สาสองประการและพยัญอาุพ ย, ยัญชนะตสิประการมีพระเนตรที่งดงาม มีพระนาราธิที่งดงามมีพ้านาสิกฐที่งดงามมีพระขนมที่งดงามมีพระกันที่งดงามมีพระพาหะที่งดงามลำพระศรที่งดงามริมพระโอทที่งดงามมีพระเศียรที่งดงามอย่างยิ่งพระวรกายของพระเจ้าที่ประดับไปด้วยนอรารักษ์สามสองประการที่มาด้วยกําลังบุญคือทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นจนถึงเวกขาบารมีเป็นที่สุดกุศลที่เราได้ทํามา ทำให้ภาวะของจิตของบุคคลมีพระเป็นต้นได้เกิดความสงบเงยือกเย็นด้วยกําลังกุศลเหล่านั้นขอกุศลเหล่านั้นจงเกิดจงมีในกระแสะชีวิตของข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมือเเอ่อนะพอคิดอย่างนี้นะโอ้ใจมันเริ่มอาจฐานขึ้นมาว่าโอ้เนี่ยเราได้ทําดีแล้วเนาะเราได้เจริญกุศลแล้วเนาะเราได้แจกจายป่านเนี้ย ภาพพระพุทธเจ้าคงประดิษฐานในใจของเหล่าสัตว์ที่กําลังเล่าร้อนทําให้เขาหายเล่าร้อนที่เขากําลังกําหนัดให้เขาหายความกําหนัดที่ขัดเคืองก็หายจากความขัดเคืองมัวเมาก็หายความมัวเมาลุ่มหลงก็หายจากความลุ่มลงที่ขดถูท้อถอยก็มีพลังมีปรามโมต ป, ปีติปัะสิทธิสุขสมาธิขึ้นมาที่ลังเลสงสัยก็มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเอาลนะได้กุศลตรงนี้ ที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องและติดต่อจงเป็นปัจจัยครัเจ้าเข้าถึงความสงบโดยพานโดยสะดุกเห็นไหมพอคิดปุ๊บอย่างเงี้ยสงบไหมเนี่ยภาวะที่สงบอย่างนี้นี่แหละฝึกในการที่จะน้อมจิตเข้าหาสมาธินิมิตได้นิมิตที่ดีนิมิตที่ได้ได้ได้สภาพความสงบแห่งใจได้นิมิตได้ความพองแผ่วแล้วทําให้จิตล่าเลยผพองใสตลอดให้สังเกตดูเนะี้ยสภาพที่จิตที่ใสสงบ เย็นแล้วมีพลังแล้วตั้งมั่นไม่ซัดสายไปในอารมณ์อื่นภาวะอย่างนี้เราก็เรียกสมาธิแล้วก็สมาธิเหล่านี้เป็นภาวะที่พึงประสงค์พึงต้องการและน้อมใจไปในสมาธินิมิตบ่อยๆน้อมใจไปในสมาธินิมิตที่บ่อยๆคําว่าสมาธิคือน้อมจิตไปในเรื่องใดคิดในเรื่องใดแล้วใจมันสงบได้เร็วรวดเร็วมากเนี่ยพุทธญาวอวสมาธิที่พิสูจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้ว ก็ย่อมเกิดภาวะที่ยังบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายให้สงบไปโดยพลันเห็นไหมว่าเมื่อเราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นบริขารเป็นอุปการะต่อการที่จะทำให้เราจิตเข้าถึงความสงบในการที่คิดเรื่องอื่นได้แล้วนี่เราก็เริ่มฝึกในการที่จะคิดคิดไปเรื่อยๆพอได้จากหยาบๆนี่นะจากการระลึกพุทธคุณจนเอิบอิ่มแล้วหนักเข้า ก็ให้มนัสสิการต่อว่าต่อไปเราจะเจริญอนาปานสติวันนี้พอเราลึกพุทธคุณก่อนอย่างนี้นะเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าเด่นชัดพระพุทธเมตตาเป็นต้นเหล่านี้เด่นชัดในใจอย่างติดต่อต่อเนี่ยประดุดดังเรานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้ากําลังเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะให้ให้อย่างนั้นเลยแล้วเหมือนเรากราบทูดพระพุทธเจ้าเพื่อจะรับกรรมฐานอย่างพระพุทธเจ้า ว่าวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะมารับพระกรรมฐานจากพระเจ้าก็าให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเป็นต้นเจริญแล้วก็ททำไม่มากแล้วย่อมยังบาปอกสรธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปโดยพรันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูการาคืออย่างฤ ด, ดูร้อนนี้เป็นต้น ถ้าผลหาใหญ่ตกลงมาแล้วไปทำฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นให้สงบราบคาบอย่างรวดเร็วไม่ฟุ้งขึ้นแม้ชั้นใดบาปอกุศลมีความกำหนัดขัดเคลื่องเป็นต้นที่เกิดขึ้นในใจจะสงบราบคาบด้วยการมนาสิการลึกระ ล, ล, ลึกถึงลมงหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นนี่คือกระบวนการในการที่จะเริ่มคิดก่อนเริ่มมองอย่างนี้น ย, ยากไม่านย่ง <c oughs> <c oughs> ่ยากเลยเนะ เออเนี่ยระลึกในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอเกิดความมันฟุ้งซ่านต่อแล้วก็หยุดแล้วก็ร ะ, ะลึกต่อร ะ, ะลึกข้อมูลเรื่องราวที่ทำให้จิตสงบต่อแล้วกลับมาดูลมต่อเนี่ยเราอย่าเพลินไปกับความคิดอย่าเพลินไปกับเรื่องราวที่ทำให้เราบอกไม่ไดกลับมาฟ้าพระเจ้าร ะ, ะลึกถึงพระคุณให้จิตสะอาดสว่างสงบ ป, ปุ๊บพอได้จังหวะ ป, ปุ๊บก็มาดูลมต่อรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออก ถ้าทาอย่างนี้นะเดียวก็ประสบความสำเร็จนี่ก็เริ่มมีรูค่ะคือยอมเรื่ความคิดจะเร็วมากคือเวลาที่พระอาจารย์พูดถูกรูปพระพุทธเมตตาพอคิดปั๊บก็ก็แบบปื้ดไปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปสั่งข้าวทานเพิ่มไซซ์นั้นไซซ์นี้อีกคือมันจะเร็วมากเลยในความคิดนี้ที่มันจะหลุดไปจากอ้าวเพรไม่เป็นไร คือถ้าเราระลึกนียปุ๊บแล้วก็บอกว่าเอาละเราจะไปสั่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนยังไงคิดให้สังเกตว่าเร็วไม่เป็นไรให้ดูว่าคิดแล้วภาวะความผ่องแผ้วในใจมันเกิดไหมให้กลับดูความรู้สึกว่าเออมันมันผ่องแผ้วถ้าเกิดผ่องแผ้วในใจปุ๊บเอาละตรงนี้ในภาวะตรงนั้นเนี่ยเราก็เราก็บอกว่าต่อไปเราเราพอคิดตรงนี้ปุ๊บเราก็ยึดติดตรงนั้นแล้วก็มาระลึกระลึกพูด มองเห็นภาพพระพุทธเมตตาแทนเลยให้เด่นในใจเหมือนเรากำลังเฝ้าเลยตรเนี้ตัดเรื่องอื่นออกเพียงให้สงบแล้วมองถ้าสามารถเห็นพระพุทธเมตตาเด่นชัดได้ยิ่งดีเด่นจนเห็นภาพเลยจนภาพนั้นปรากฏกับใจเราเลยเห็นชัดแล้วทำให้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นระลึกระลึกให้ภาพนั้นสวาน่างขึ้นสวาน่างขึ้นได้ยิ่งดีทาได้ไม น่าเราทําเลยดังนั้นยังไม่ต้องดูลมก่อนดูดูจนเด่นขึ้นชัดขึ้นจนสามารถโอ้โหภาพอลังการเลยอลังการแล้วเราเด่นจนช้าสะอาดเหมือนเราให้เอบอิ่มนานเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าเหมือนเรากําลังว่าเราจะรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานเราแล้วเราก็จาก การดูพระรจ้าก็เริ่มมาดูลงไม้ใช้เข้าออกรับถ้าเกิดมันจิตโทโทอีกดึงภาพดึงพระโรคพระริจา้าก็มาแทนที่สลับได้เลยแต่สลับเป็นช่วงเงินให้นานออบอิ่มที่สุดบางคนเนี่ยสามารถอยู่กับพระโรคพระริจ้าได้จนยางนานเป็นชั่วโมงเล ย, เยถ้าทาได้ทาเลยแต่การที่อยู่กับพระของพระรจ้าเนี่ยมันไม่สามารถจะทาคร้องกับการดูลงได้ใช่ ใช่แล้วตอนนั้นเราเราเราคือจริงๆริจะทำได้มันจะกลายเป็นสองกรรมฐา น, ะน จ, ะจะกลายเป็นสองกรรมฐานเราทำทีละกรรมฐานงงทาทีกรรมฐานถ้าไปทำสองกรรมฐานเดี๋ยวสลับไปสลับมามันวิ่งไปวิ่งมาเราดูที่พระรูปพุทธเจ้าให้เด่นชัดในใจเราพอเด่นชัดปุ๊บแต่นี่อยู่นานขนาดไหนก็ได้ตอนนั้นให้เราลึกถึงพุทธคุณ เป็นภรรยาเป็นพระหลานไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยตนเองและลึกบทเดียวนี้ก็คข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เป็นพระหลานตามพุทธเจ้าไว้ได้เห็นคุณเห็นอารหาันตต่คุณว่าประเสริฐมากดีมากเราเราจะอ้องออกจากความเป็นบุตุชนให้ได้เข้าสู่ความเป็นอ ร, ริาสารตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้พราะลึกเงี้ยจิตใจจะเ อ, เอิ่มอิ่ ม, มและลึกไปที่ระบบ นี่คือการเดินพุทธคุณถ้าสามารถเดินได้เป็นชั่วโมงได้ก็เดินได้ไม่เป็นไรนี่แปลว่าเราเริ่มระลึกพุทธคุณได้ง่ายขึ้นจะสะดวกกับเราเลยส่วนวาระหนึ่งเราจะเดินอานาปนานะต่อก็ก็หยุดจากการระลึกพุทธคุณก็มาดูที่ลวงการที่เราเระลึกถึงพุทธคุณเนี่ยดีเท่ากับอนาปานะสักดอ๋อเป็นกรรมฐานทั้งหมดเลยไม่ต่างกัน ไม่ต่างอยู่ตรงที่ว่ากรรมฐานพวกนี้ต้องต้องฝึกไว้ทั้งหมดมหมเพราะบางวาระต้องระลึกพุทธคุณ<ช>บางวาระต้องเดินอนาป า, านเช่น<ช><ช>ถ้าไปโดยทั่วๆไปเนี่ยการระลึกถึงพุทธคุณจะทำให้เราหยุดยั้งบาปประับได้ได้เร็วได้รวดเรลวผ<ช>เหมือนว่าพระพุทธเจ้ากาลังเรากำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่จิตที่น้อมไปในความโลภหดหลงจะ ห, หายได้ดีนั้น พุทธคุณเนี่ยเป็นกรรมฐานที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงแปลว่าอะไรไปทํากิจใดๆก็แล้วแต่ละลึกได้จนต่อนนี้เดินก็ ล, ลึกได้ทํากิจกรรมก็ละลึกได้แต่อาณาบรรณะเนี่ยละลึกได้เฉพาะที่ใหม่ในจุดที่มาทําเป็นรูปแบบมันต่างถ้าพุทธคุณเนี่ยจะไปทํากิจกรรมทั้งหลายก็ละลึกได้ตลอดละลึกได้ตลอดเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวง หรือไปทํากิจกรรมของชีวิตยืนเดินนั่งนอนทํากิจธุระ ส, ส่วนตัวก็ระลึกได้ตลอดตอนนี้แต่อนาปนาณีเป็นกรรมฐานที่ต้องมาหลีกเล่นจริงๆหลีกเล่นจริงจริงจจะทําได้ผลแต่พุทธคุณเนี่ทําได้ทุกที่เหมือนความตายระลึกได้ทุกที่เหมือนความเม่งงามก็ระลึกได้ทุกที่หรือเมตตาก็สามารถระลึกได้ตลอดพุทธคุณก็ระลึกได้ตลอดกรรมฐานเหล่านี้ก็เรียกว่าสัพพะตกัเป็นกรรมฐานที่จําปรารถนานในที่ทั้งหมด เทาบวกแต่ถ้าอนนาปณะเนี่ยต้องหลีกเล่นมาอยู่ที่สงบจริงๆถึงจะทำได้สะดวกไดดีที่สุดเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนี้เเรียกว่ากรรมฐานหลักกับกรรมฐานหอกรรมฐานที่ที่เป็นตัวปูพื้นฐานพื้นฐานที่จะเข้าสู่กรรมฐานหลักๆคืออนนาปณะก็ต้องเดินพุทธคุณก่อนเขาไม่ให้เดินกรรมฐานดิ้นเหมือนคนที่จะไปกินอาหารหลักๆก็ต้องมีอาหารที่อื่นๆตัว ลองร่างกายเราไปก่อ น, นพอมองเองพอดีเมื่อคืนพยายามจะดูลมแล้วมันก็ยังไทยไม่ได้มไม่ได้ก็เกิดก็เกิดนั่งแล้วก็เกิดเห็นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาก็เล ย, เลยก็เลยน้อมไปดูแต่ตรงพระพุทธรูปนั่นดีขึ้น <c oughs> เนี่ยนั่นแหละอย่างเนี้ยใช้ได้เพราะว่าจริงๆหมอแก่ทายาสายทุกคน <c oughs> ที่เป็นพุทธบริษัทอย่างทุกคนต้องเจริญพุทธคุณเป็น ถ้าจเจริญพุทธคุณไม่เป็นจเจริญม <c oughs> รณานุติเป็นต้นไม่เป็นเนี่ยแปลว่าไปเดินกรรมฐานอื่นจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนั้นเขต้องเดินหลายๆกรรมฐานเหมือนรถนี่แหละขึ้นเขาเกียร์อะไรทางเรี่อยเกียร์อะไรขูดขับลงน้ํานั้นจะใช้เกียร์เดียวไม่ได้ชั้นใดชีวิตจะอยู่กรรมฐานเดียวไม่ได้ถ้าอยู่กรรมฐานเดียวยุ่งเลย <c oughs> ไม่ประสบความสําเร็จทุกคน พอมองเห็นนะมีอะไรจะถามไหมมีไห ม, มอ้าวมีกี่โมงเลยเก้าโมงสโอเคอเดี๋ยวจะได้ลองฝึกกรรมาฐานดูงั้นก็เดินพุทธคุณก่อนพอเดินพุทธคุณพอเดินพุทธคุณเสร็จแล้วก็ค่อยเดินอานาปานสติวิกรรมาฐานดียังมีเดินชัดขึ้นไหมพุทธคุณ เดินเดินเป็นว่าเดินเพือระจบารมีได้ทั้งหมดเราจะฝึกตามบารมีได้ไได้บารมีทั้งหมดได้หมดเวลาเห็นพระพุทธเมตตาเด่นแล้วมองแล้วอยู่ในใจเด่นได้ยังได้ไหมคือให้เด่นจริงๆเลยนะเด่นจนใจเราล่าเริงผองายเหมือนเห็นเลยนะยิ่งค่อยระลึกคุณ ใช่ใช่ถ้าถ้าพระพุทธรูปยังไม่เด่นไประลึกคุณเนี่ยจะไม่เห็นคุณจะไ ม, จะไม่จะไม่กร ะ, ะเทือนไปที่ใจหรอกต้องเห็นจนเด่นชัดภาพพระพุทธเมตตาเนี่ยจนเด่นใน ใ, นใจจนโอ้โ ห, ม, หมันได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เป็นพระพุทธรูปที่ว่าเด่นใน ใ, นใจเรามากที่สุด